อรหัตผลเมื่ออายุเจ็ดขวบคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระสาวกพึงบรรลุท่านก็ได้บรรลุแล้วทั้งหมดไม่มีกิจอะไระไรที่จะพึงทํายิ่งกว่านี้หรือกิจที่ทําเสร็จแล้วซึ่งจะทําเพิ่มเติมอีกก็ไม่มีต่อมาท่านพระทั พ, พะมะลบุตรหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึ่งอย่างนี้ว่าเราได้บรรลุอรหัตผลเมื่ออายุเจ็ดขวบ คุณวิเศษอย่างได้อย่างหนึ่งที่พระสาวกพึงบรรลุเราก็ได้บรรลุแล้วทั้งหมดไม่มีกิจอะไรอะไรที่จะพึงทำยิ่งกว่านี้หรือกิจที่ทำเสร็จแล้วซึ่งจะทำเพิ่มเติมอีกก็ไม่มีเราควรช่วยอะไรสงฆ์ได้บ้างลําดับนั้นท่านตกลงใจว่าถ้าไครเราควรจัดแจงเสนาสนะและแจกพระาหารแก่สงฆ์ขั้นออกจากที่หลีกร้นในเวลาเย็นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าลีกรินอยู่ในที่สงัดมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้บรรลุอรหัตผลเมื่ออายุเจ็ดขวบหรือกิจที่ทําเสร็จแล้วซึ่งจะทําเพิ่มเติมอีกก็ไม่มีเราควรช่วยอะไรทรงได้บ้าง พระพุทธเจ้าข้าท่ากะไรข้าพระพุทธเจ้าพึงจัดแจงเสนาสนะและแจกพัตหารแก่สงข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะจัดแจงเสนาสนะและแจกพัฒหารแก่สงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วดีแล้วทัพพระถ้าอย่างนั้นเธอจงจัดแจงเสนาสนะและแจกพัฒหารแก่สงพระทัพพระลรบุตรกราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัส แล้ว